เป็อย่างใดเป็นอย่างใ ด, างดหานเจ็บหันปวดก็ได้ไหมภา <c oughs> วนาภาวนาฟังภาวนาฟังลวงตาปัสสาวศีลท่านขึินปฏิบัติมาท่านเล่าวิธีที่ท่านเป็นของท่าน การพูดวิถีที่เป็นไม่ใช่ว่าอวดอุตตริมนุษธรรมไม่ใช่อวดคุณพิเศษเพราะว่าท่านเป็นถ้าไม่เป็นไปพูดก็อวดว่าตัวเองเป็นเรียกว่าอวดท่านพูดวิถีปฏิบัติเพื่อให้พวกเรามีกำลังใจเรียกว่าการ เสริมให้เกิดกำลังใจพุทธเจ้าก็เหมือนกันะพระ อ, องค์ประทานธรรมะบางครัง้งบางโอกาสเพื่อจะให้มีความตั้งใจมีกำลังใจเหมือนครั้งที่พระ อ, องค์ทรงธรมานหรือช่วยพระนันทะซึ่งเป็นพระอนุชา เป็นพระอนุชาเป็นน้องชายเป็นน้องชายต่างมารดาลนันทะเป็นลูกชายของพระนางประชาบดีโคตมีก็เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโธธนะพระพุทธเจ้าก็เป็นโอรสของพระเจ้าสุโธธนะเรียกว่าพ่อเดียวกัน แต่พระมานดาคือพระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นพี่สาวของพระนางประชาบดีโคตมีท่า น, น ย, ยังเรียกว่าท่านช่วยน้องชายคือพระนันทะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพระพยุรยาตที่กรุงกบินละพัท นี่เจ้าชายนัน t h เน่ก็จะอาพิเศกสมรสกับพระนางชนะบทกัลยาณีนางชนะบทกัลยาณีก็ราตนานิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิสุสงไปฉันเยียกว่าในรัธิ พามหรือในคนสมัยนั่นเขาถือว่ากินเลี้ยงกันนั่นแหละเขาถึงมีการกินเลี้ยงกันเหมือนพวกเราทุกวันเนี่ยไป แ, แต่งการแต่งงานเชื่อเชิญแขกเหลือหมู่เพื่อนอะไรไปกินเลี้ยงไปทานเลี้ยงนี่ก็เหมือนกันเขาก็นิมนต์พระเจ้าอะไรอย่านนิมนต์พระเจ้าไปทานเลี้ยงหรือว่าไปฉันไปฉันพัฒตาหารในพิธี นันทะจะแต่งงานจะอภิเศกสมรสตาขั้นพุทธองค์ไปฉันเสร็จแล้วก็รับสั่งให้นันทะให้อบานตามส่งในข้างนั้นพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับอยู่ที่นิโครธ ะ, ะหรือนิโคทารามซึ่งเป็นอุทยานของเจ้า สักยะกะบินละพัดนันทาก็อุ้มบาตรตามสเสด็จเพียงแต่ว่าถวายพระตาหารให้ฉันยังไม่ได้เข้าพิธีแต่งการแต่งงานอะไรพระพุทธองค์รับสั่งนันทาถือบาตรตามไปส่งเรานันทาก็อุ้มบาตร เจ้ชายนันทะในชุดที่จะแต่งงานนั่นแหะตามเามื่อลงจากปราศาสถึงบันไดปราศาสแล้วก็คิดว่าพราะองค์จะรับบาตพระองค์ก็ไม่รับก็ตามไปเรื่อย อ, ออกประตูวังก็คิดว่าพราะองค์จะรับนันทะพระองค์ก็ไม่รับ แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะความเกรงกลัวความเคารพในความเป็นพี่พระเจ้าเป็นพี่ชายเป็นใหญ่สุดท้ายก็ตามไปถึงตรงน้นตรงนี้นี่ก็พระองค์จะรับบาตรก็ไม่รับสักทีจนไปถึงที่ประทับที่นิโคทาราม เมื่อพระ อ, องค์ประทับนั่งในที่ประทับละ่ะนันทะก็น้อมบาตรเข้าไปถวายแทนที่พระ อ, องค์จะรับบาตรก่อนยังไม่ทรงรับไม่ยื่นพระหัตถ์รับบาตรก็มีรับสั่งถามนันทะว่าเธอจะบวชไหมทํำยังไงนันทะ จะเข้าพิธีแต่งงานอยูอ่ไอตอนจะลงจากปราสาทเจ้าสาวสนบทกัลยาณีก็บอกว่าพระรูปเจ้าไปทรงบาทพัตะถาคตแล้วขอให้รีบมานะเจ้าข้าเนี่ยเสียงแย่อยู่ในหู แต่ว่าความกลัวความกลัวพระพุทธเจ้าก็เลยตัดรับว่าบวชก็บวชแล้วพระเจ้าข้าพูดอ่อยๆหนั่นแหะเนสียงไม่เต็มใจพอ ร, รับว่าจะบวชพระพุทธองค์จึงรับบาตรรับบาตรแล้วก็รับสั่งให้พระสารีบุตรบวชให้ บวชแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวละเรื่องแต่งการแต่งงานพุทธองค์ไม่ได้เกี่ยวพระบวชแล้วก็รับสั่งให้ภาวนาเ ธ, เธอจงภาวนาหน้าปานหนสตินั่นแหละทำหนดลมหายใจที่นี่พระนันทะก็ไม่เป็นอันภาวนาเพราะจิตพวักพวองอยู่ยิ่ง เสียงแววเข้าหูพระรูกเจ้าให้รีบกลับมาจิตใจก็กังวลเศร้าออหมองเดียมาหลายวันพระองค์จึงหาอุบายที่จะสอนเพราะว่าเคยเคยได้สอนกันพระองค์พุทธองค์ก็รู้ว่าแต่ก่อนนี่นันทานี่เคยเป็นลา เคยเกิดเป็นลายาตเจ้าของลาคือพระพุทธเจ้าลาเกิดความกระสันในลาตัวเมียให้ไปทำงานให้ไปทำงานให้จินย้าอะไรก็ ไม่ไปก็ไปกังวลอยู่กับความรักความชอบในลาตัวเมียซึ่งนางสนบทกัลายาณีก็ก็เป็นลาตัวเมียในสมัยนั่นข้างนั่นที่เจ้าของลาจึงหาอุบายว่าเอาลาตัวอื่นมาล้อมาล้อนลลาตัวผู้นั่นค่อยกลับมา นี่มีอุบายเคยทลมานพุทธองค์จึงไปชวนนันทะนันทะเราจะพาไปเที่ยวให้ภาวนาก็ไม่ภาวนาอาจจะพาไปเที่ยวพุทธองค์จึงพานันทะเดินออกจากไอ้นโคธารามมันไปไปแล้วพา ผ่านไล่แตงแล้วไปเห็นวานอนหูด้วนเห็นลีงตัวเมียหมูด้วนหางด้วนนั่งกินแตงอยู่บนตอที่ไฟไหม้ดำๆพระองค์ก็รับสั่งถามนันทะนั่นคืออะไรวานอนพระเจ้าข้า ก็ผ่านไปพอไปที่พระพุทธองค์จึงนิรมิตพานันทะไปไปสวรรค์ไปเที่ยวสวรรค์พอไปก็ไปเห็นพวกสาวสวรรค์นางเทพอปรสรมีความสวยสดงดงามนันทะได้เห็นอพอเห็นแล้วพุทธองค์ก็ถามนันทะ เ, เป็นยังไงพวกสาวสวรรค์ องนางเทพอปรสรนี่สวยงามไหมสวยงามพระเจ้าข้าไอนางเทพอปรสรกับนางชนบทกรรัญญาณีใครสวยงามกว่ากันนางเทพอปรสรสวยงามกว่าพระเจ้าข้านางชนบทกรรัลญาณีงามขนาดไหนนางชนบทกรรัญญาณีเหมือนกับวานอน มูดว้วนหางดว้วนที่กินแตงอยู่ต่อดำๆกลางไร่นั่นแหละพระเจ้าข้าเธออยากจะมาไหมที่นี่อยากจะได้นางเทพเอุปศน์ไหมอยากได้อยากมาพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นให้เธอตั้งใจภาวนานะก็พากลับมาเพราะกรรมมานันทอื็ มีจิตมุ่งกับนางเทพอภิษฎก็ตั้งใจภาวนาจะเดิญกายจะฆตาสติพุะธตเจ้าสอนมีความมุ่งมั่นจิตก็วางนางชนบทกัญยาณีวางนางเทพอภิษฎก็มามุ่งมั่นอยู่กับ ก, บการจเจริญภาวนาสุดท้ายก็เกิดฌานเกิดยานความรู้ ที่พอรู้มันมันรู้เลยเทพอภิสรไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันธ์ห้าตามเป็นจริงหมดความสงสัยสิ้นสุดความยึดความอยากในนางสนบทกัลยาณีในนางเทพอภิสรนคเสร็จแล้วบสบายใจแล้วทีนีจิตใจเข้าถึงความสุขความสบายแท้จริง เฉยเลยบะัดภาวนาก็ภาวนาเป็นสุขวิหารธรรมเป็นเครื่องลื่นเลงเครื่องรู้เครื่องอยู่ความสุขในสติปัญญาที่เห็นขันห้าเป็นเพียงสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอุปท า, านเขอาไปยึดไปถือเมื่อท่านบนรรลุผลสำเร็จพุทธองค์จริง ตรัดเ ป, ปย์เปยจะยังไงนันทะคิดถึงนางเทพเอวบสอนไหมโอ้ยไม่คิดแล้วพระเจ้าข้อจะเอาไหมนางเทพเอวบสอนไม่เอาพระเจ้าค่ะเนี่นี่เรียกว่าทีแรกพระ เ, เจ้าเอาอุบายหาเรื่องให้จิตนี่มันเปลี่ยน มันเปลี่ยนจากความกังวลกับนางสนบทกัลยาณีนี่จึงไปเอานางเทพอภิษฎมาเป็นเครื่องให้รู้เรียกว่าเป็นเครื่องล่อเหมือนตั้งแต่ขั้งที่ยังเป็นลาต้องไปเอานางลาตัวอื่นมาล่อนันทานั้นจึงกลับมา นี่ก็เหมือนกันแต่ล่อในข้างนี้เลยว่าล้อให้พ้นจากความลุ่มหลงความยึดติดมัวเมาคือเอาสิ่งที่มันเป็นตามเป็นจริงนี่ก็เหมือนกันแหละหลวงพ่อ菩萨สินท่านปฏิบัติท่านภาวนาวิถีของท่านมันรู้ไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นท่านก็มาเล่าให้ฟังคือไม่ได้มาเล่าเป็นการโอ้อวด คือพูดความจริงในวิถีจิตวิถีธรรมที่ท่านประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกเราต้องการความสุขต้องการสวรรค์สมบัติหรือนิพพานสมบัติก็ให้มีความเพียรเพ่งปฏิบัติเข้ามาในตัวเองเนี่ยแหละ อ, อย่าไปหลงแต่ความสุขในมนุษย์สมบัติ <c oughs> เห็นแต่ความสุขว่าตัวเองมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ยังไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมีทรัพย์มีสมบัติมีที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยสี่สมบูรณ์บริบูรณ์อย่าไปเห็นความสุขเพียงแค่นั้นเพราะมันเป็นความสุขที่ยังประกอบด้วยทุกข์ยังไม่แน่นอนความสุขยิ่งกว่านั้นมันมีด้วยการจเจริญเมตตาภาวนา เจรญสติสมาธิปัญญานั่นแหละเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นในความสุขในความพ้นจากทุกข์คือความสุขที่ไม่มีนั่นแหละสุดท้ายเรียกว่าความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขเพราะความไม่มีเพราความไม่มีไม่มีอุปทานไม่มีความอยากไม่มีตัณหา เกิดขึ้นใน จ, ใจิตใจเพราะว่าความอยากตัณหาราคะโมหะอวิชชาอะไรเหล่านี้มันเป็นความอยากมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นในใจของเราเฉยๆแต่เมื่อเราไม่มีสติไม่มีปัญญาความรู้แจ่มแจ้งจากปัญญาแล้วก็ไปหลงว่ามันเป็นความสุขเพียงในสมมุตินี่เท่านั้น นี่แหละการที่จะออกจากความลุ่มหลงความติดอยู่ในสมมุติที่มีในห่วงแห่งทุกข์คือความสุขในกามมกคุณนี่แหละในความสุขในกามกินเกียิเหมือนอย่างที่ท่านเทศยินดีพอใจในเกียดยศสรรเสริญก็แสวงหากันดิ้นรน แต่การที่จะได้ตามสมมุติเนี่ยมันต้องมีสิ่งแรกเปลี่ยนเพราะฉะนัญญ้นบางท่านบางคนอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ต้องหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติอะไรไปเป็นเครื่องปุญนเปลอบูชาต่อผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเพื่อเขาจะให้เกียรติยศตามสมมุติ ในเรียกว่าไปหาเกลียดโดยสมมุติหายศหาความสุขตามสมมุติมันจึงไม่ไม่เจอไม่ประสบความสุขอันแท้จริงได้มันเป็นความสุขที่เชื่อผนด้วยยาพิษอ่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นแล้วก็มีกรรมมีกรรมมีผลของกรรมนะั่นอามันจะสลับซับซ้อนกันไม่ถึงไม่จบไม่สิ้น เพราะฉะนั้นมาสแสวงหาความสุขด้วยการประพฤติธรรมปฏิบัติตามธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจะได้รับความสุขอันแท้จริงเป็นความสุขที่ไม่เจือปนด้วยอามิตรไม่เจือปนด้วยโทษคือการฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยภาวนาตั้งสติกําหนดลงไปให้มันจริงจังเราจะบริกรรมภาวนา กำหนดรูสิ่งไหนจุดไหนให้มันแน่วแน่เีวเอาเป็นเอาตายสู้อันนี้แหละเมื่อเวลาได้ผลแล้วมันจะไม่มีบาปมีกรรมเจือปนมันจะได้ความสุขอันแท้จริงด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่พวกเราประพฤติปฏิบัติ นี่ที่มันจะถอนความรุ่งรุ่ ม, มความหลงในจิตใจของเราออกมันต้องเพ่งดูกายดูจิตเพ่งดูความเปลี่ยนแปลงนี่แหละเพ่งเพ่งดูความทุกข์เอาไปเห็นความสุขนิดๆหน่นนอยๆเกิดจากการสัมผัสเกิดจากการได้ริม ได้เรียรได้ริ่มรถอันนั่นอันนี่ว่ามนมีความสุขมันเป็นความสุขที่ประกอบด้วยกรรมด้วยโทษเช่นอย่างบางคนไปถือว่าการดื่มกินเครื่องดองเขาของเมาสุราเมลัยมันทําให้มีความสุขนี่มีความปรารถนาเข้าไปปฏิบัติเช่นนั้นแต่เมื่อมันได้ความสุขแค่ความมึนความเมาความ สัมผัสลิ้มเลือนนิดนิดหน่อยแต่บาปกรรมมันเป็นมันเป็นสนิมมันเป็นสนิมมันเป็นเรียกว่ามันเป็นผลที่จะมาทับถมจิตใจของเราแทนที่เราเหมือนกันกับเราขัดสนิมออกจากเหล็กจากเหล็กจากมีดเราขัดพล ร, รงแล้ว แต่พอวางไว้เดี๋ยมันเกิดเร็วสิ่งที่เป็นมวลถินมันเกิดเร็วมันเกิดโดยธรรมชาติมันมันก็เกิดจากการนึกการคิดเกิดจากการกระทําทางกายด้วยพูดทางวาจาด้วยมันก็เพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจริงว่าปราัถนาความสุขซึ่งมันมีนิดๆหน่นนอยๆ แต่ความทุกขหรือบาปกรรมความเศร้าหมองที่จะทับถมเข้าไปอีกให้ยืดยาวข้ามวันข้ามคืนข้ามปีข้ามเดือนข้ามพบข้ามชาติหลายพบลายชาติมันก็เกิดจากกรรมมันนี่แหละที่ทําทางกายทางวาจานี่แหละนึกคิดทางจิตใจซ้ําๆ่ซักซาก็นี่แหละนึค ก, กนนคิดถึงความสุข ที่มันเป็นบาปเป็นกรรมซ้ำๆ ซ, ซากๆอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นท่านจึงให้แก้ด้วยการมาปฏิบัติมันนึกคิดถึงความเป็นกิ่งความทุกข์ที่มันมีซ้ำๆ ซ, ซ, ซากๆว่ามันเป็นความทุกข์อันยิ่งเนี่ยจึงต้องมามีจิตมีใจฝาฟัน มันความเก็บความปวดที่ท่านบอกว่ามันเก็บปวดขึ้นมาเอา้านั่งสมาธิภาวนานมันเราตายมันยิ่งปวดกว่านี้หรือที่เคยทําทรมานเข้ามามันมากกว่านี้เพื่อเพื่อจะเอาชนะเพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยเข้าถึงสมาธิคือข้ามนิวรอ์ เพราะว่าการฝึกเช่นนี้เพื่อจะให้ข้ามนิวรนนิวรนเป็นเครื่องกั้นนี่แหละความกลัวตายความกลัวเป็นกลัวตายความติดอยู่ในความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเรานั่งไปนานๆเก็บปวดร่วดเล่าไปทั้งตัวก็กลัวเป็นกลัวตายท่านได้ว่านิวรนนิวรนท่านบอก ที่ท่านบอกตามตรงนั่นท่านบอกว่านี่วันนะนี่วันห้านี่วันห้าพอกำหนดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธไปมันก็ปับ๊บไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสความสุขเพราะมีรูปสวยงามอย่างง่อนอย่างนี่เพราะได้รูปสวยรูปงามเพราะได้ฟังเสียงไเราะเพราะพิพงเสียงเพลงเสียงอะไรมันก็ปรุงไปซะ ต า, ตามกิเลสตามกิเลสสกรรมวัตถุกรรมนี่เรียวกว่าเป็นการกัน้นไม่ให้สมาธิตั้งมั่นได้ไม่ให้มันไม่ให้ผ่านนี่วอนเรานี่ได้เพราะท่านท่านเนี่ว่าเอาตายว่ากันไปนมันจะนื้คิดปรุงมาหลอกลวงอะไรก็เอาตายตายไปเลยเนี่มันจึงจะ ันจึงจะผ่านพ้นไปได้จึงว่าจึงจะเอาชนะกรรมมวิตกความนึกความตรึกความไข่ในรูปเสียงกินลดสับสัมผัสผัสสะอ่ อ, อนนุ่มนิ่มนวลอะไรต่างๆแล้วก็พยาบาทวิตกความเสียอกเสียใจที่มันเกิดขึ้นมันก็มวิตกที่จะทําลายร่างผาน คิดว่าเขาทํากับเราไม่ดีอย่างน้นอย่างนี้เป็นกามเป็นพยาบาทวิตุกจิตก็ไม่ลงสู่เพราะฉะนั้นจึงต้องเอาตายว่าจะนึกพุโทโธจะรู้พุโทโธกําหนดกับพุโทโธนี่อย่างเดียวเวลาความเกลียวความปวดมันเกิดขึ้นมาเปลี่ยนก็กำหนดความเกี่ยวความปวดความตายนั่นแหละ ตรงเป็นอารมณ์ไปเลยนั่นแหละมันเป็นหินฝนมีดให้คมหรือว่าเป็นอุบายทมความมั่นใจทำศรัทธาให้ตั้งมั่นทำความตั้งมั่นของใจที่เรียกว่าสมาธิให้แน่นแฟนเข้าไปสุดท้ามันยังจะผ่านไปได้ถ้ามันผ่านไปได้แล้วทีนี่นั่แนแหละ ได้รับคุณได้รับบุญกุศลอันมหาศาลที่จะหนุ น, ห น, นหนุนไปให้เต็มจนกลัวจะมีความรู้แจ้งแทงตลอดเอาชนะความอยากเอาชนะความหลงต่างๆ ท, ท่านเรียกว่าโมหะอวิชชาคือทำความมืดความหลงนี่ให้ สิ้นสุดไปจากธรรมชาติรู้คือใจนี่แหละไม่มีคำว่าหลงไม่มีคำว่าโมหะอวิชชาอะไรมาเป็นใหญ่ในธรรมชาติรู้คือใจได้แล้วอัแนแหละมันจึงจบกันเพราะฉะ น, น, น, นั้นคณะนี้เดี๋ยวนี้มันยังไม่จบก็ไม่มีทางอื่นทางใด ที่จะทำให้มันจบได้ทำให้เข้าถึงความสุขอันแท้จริงได้ก็มีแต่มรรคปฏิปาทาคือการเจริญศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญ า, า, ญญานี่เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นจริงต้องมีความเพียรมีความกล้าหาญชาญชัยในการที่จะ ปฏิบัติเจริญสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้มันแน่นแฟนในอารมณ์เดียวให้ได้<อ>ไม่ต้องไปปรุงไปแต่งเรื่องผลเอาให้นี่แหละให้ไม่ให้มันพังเผอจากล<อ>มหายใจเข้าหายใจออกจนเป็นปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมอยู่ในอิริยาบทอันใดก็รู้คงคกนกันสติระลึกรู้ใจคือความรู้ ฝันเฝือคมเกืนกันนี่เรียกว่าฝึกได้ปฏิบัติให้เป็นให้เกิดได้สติสติกับใจเป็นเพื่อนสองของกันนก็เป็นสมาธิจิตใจที่นี่เคยคิดปุงฟงในการมววิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกมันก็ขาดไป มันอยู่กับความรู้อยู่กับตัวอยู่กับใจของตนเองอันเดียวได้ก็เป็นฐานเป็นฐานที่จะสร้างปัญญาสุดท้ายคือตัวปัญญานั่นแหละไม่ว่าทาโลกีหรือทาโลกุตระจะให้สำเร็จได้ก็อาศัยปัญญา เรื่องการงานในโลคีการนึกการคิดการวิจัยอะไรต่างๆเรียกว่าปัญญาโลกียะปัญญาก็ต้องอาศัยการค้นคว้าการวินิจฉัยพินิจพิจารณาจึงจะใช้ประโยชน์ได้มีปัญญาในโรคีปัญญาโลกุตระที่จะทําให้รู้ถึงสมมุติทั้งหลายทั้งปวงตามเป็นจริงปล่อยวางว่าง จากความยึดมั่นที่มั่นได้ก็ต้องสติปัญญาเหมือนกันเพียนท่านจึงว่าพระห้าเจริญให้มีกำลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาท่านเรียกว่าพระห้าหรืออินรียห้าบ่มให้เจริญให้แก่กล้าผลเป็นสิ่งที่เป็นเองปฏิเวทธรร ม, มการรู้การเห็นการปล่อยการวางของจิต เป็นเองนี่เพราะฉะนั้นมีทางเดียวนี่แหละอย่าไปหลงให้กิเลสมันมาสอนมาปิดเราอีกว่าจะหาทางอื่นง่ายๆไม่ต้องมาทำสมาธิภาวนาไม่ต้องมาวริกรรมพุทโธกาหนดความตายสู้อดสู้ทนอย่าไปนึกไปคิดหา นึกไปคิดหาก็มีแต่กิเลสมันจะหลอกลวงไปเรื่อยหลอกลวงหนีจากค้นทางที่พุทธเจ้าสอนไว้ตัดไว้ชอบคือการปฏิบัติเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาสติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาตายสู้ทุกข์ควรกำหนดรูนั่นคือพระุทธเจ้าสอนคือกำหนดรูให้มันจนรูความเป็นจริง ว่าอะไรทุกข์ทุกข์เป็นเพียงอาการนันหนึ่งรากฏที่ใจแต่มันไม่ใช่ใจนี่มาพิสูจน์จึงว่าจึงว่ากําหนดเอาทุกข์นั่นแหละเป็นอารมณ์ทีแรกเอาพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อมันทุกข์มันทรมานเข้าจริงจริงเอาทุกข์นั่นแหละอาเป็นอารมณ์ดูทุกทุกข์ทุกบริกรรมทุกข์ทุกนั่นแหละ ทุกมันเกิดจากไหนใครมาให้มันเป็นทุกข์ใครว่ามันเป็นทุกข์เอานี่เนี่ยด้วยทั้งสติปัญญาขี่คายกันเข้าไปทั้งคันติทั้ ง, งอธิฐานนะั่นเรียกว่าบารมีสิบอย่างเข้ามารวมกลมกืนกันพิสูจน์ทุกข์นั่นแหะเมื่อมันเข้าใจตามเป็นจริงแล้วอมันก็จะถอนเพราะว่าความทุกข์ ที่ว่ามันเป็นทุกข์แท้จริงคืออุปทานความหลงเข้าไปยึดไปถืออาการนั่นต่างหากเมื่อมันเข้าใจตามเป็นจริงใจก็ไม่ทุกข์ทุกข์เขาก็ไม่ได้ทุกข์ความไปสําคัญมั่นหมายความไปสมมุติเอาว่าทุกข์ว่าสุขอย่างนั้นอย่างนี้เฉยๆอันและเมื่อเห็นทุกข์ตามเป็นจริงมันก็จะเห็นสุขตามเป็นจริงได้เหมือนกันด้วยการ จะพื้ปฏิบัติมันต้องลึกเข้าไปจนถึงการภาวนาอย่างนั้นในเบื้องต้นนี่มันเป็นพื้นฐานสุขเกิดจากการให้ทานสุขเกิดจากการเจตนาที่ไม่ทำโทษนี่ถ้าหาว่ามันยังไม่เข้าไปเป็นสมาธิเป็นปัญญามันก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละเช่นเราสมาทาน อารับศีลแปดไม่บริโภคอาหารในเวลาวิการากามันก็จะเกิดความหิวเกิดความหิวมันก็เป็นทุกข์แล้วถ้าเราพิจารณาเข้าไปให้เห็นตัวที่มันอยากมันหิวเห็นตัวที่มันสมมุตินี่เพรา ะ, ะมันหลงอันนี่แหล ะ, ะ, ะมันจึงมายึดมาติดถ้ามันปล่อยวาง เหตุที่มันจะต้องอยู่ต้องกินต้องประดับประดาร่างกายอะไรต่ออะไรแหละมันก็เห็นคุณประโยชน์ของความไม่กังวลความไม่ไปยึดไปติดอย่างนั้นเขาเรียกว่ามันก็หมดภาร ะ, ะไปนี่เหมือนพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านสันเข้าคนเดียวอย่างนี้ตก็เห็นคุณประโยชน์ที่นี่ไม่ได้เป็นทุกข์ที่แรกก็ทุกข์ละ พราะไม่ได้กินถึงเวลากินเลยเที่ยงเลยแพนไปไม่ได้กินความหิวมันเกิดแต่เมื่อท่านปฏิบัติไปพิจนาไปสูอ้อสู้ทนไปก็เห็นประโยชน์เพราะว่าไม่ต้องไปกังวลกินหลายขัง้งหลายหนไม่ต้องไปเตรียมไปสแสวงหาอะไรมากมายกินหนเดียวมันก็ยังชีวิตให้เป็นไปได้อยู่ก็เห็นคุณเห็นประโยชน์ อย่างนี้หละละเอียดเข้าไปมันเห็นโทษเห็นคุณของความไม่โกรธความไม่โลภไม่หลงเห็นคุณประโยชน์ในความไม่ยึดไม่ติดในราคาตันหาอาวิชชาในกิเลสกามวัตถุการรมแหละนันก็เป็นเช่นเดียวกันสุดท้ายมันวางหมดแล้วนั่นแหละท่านจึงว่าสุขโข ว, วิเวโกวิโมก ข, ข นี่เป็นความสุขอย่างยิ่งท่านจึงว่านิพานังพระมังสุ ข, ขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอ่คือมันสุขจนไม่มีความกังวลอะไรนั่นแห ะ, ะนี่เป็นอย่างนั่นเพราะฉะนั้นในพื้นฐา น, านที่พวกเราในนามที่ว่าเป็นชาวพุทธเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เคารพนครูบาอาจารย์นข้อ ก็พืชปฏิบัตินั่นแ่ะที่เราเคารพในครูบาอาจารย์ล้วก็เคารพในมรรคปฏิปทาคือการดำเนินของท่านเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์ท่านเป็นผู้มีศีลมีสติมีความสำรวมมีศีลารจรวัตท่านก็มาสอนสอนก็สอนอันเดียวกันกับที่พุทธเจ้าสอนนั่นเรียกว่าธรรมันบริสุทธิเ์เมื่อมีความ ข้ารบมีความเชื่อมั่นก็ตั้งใจในพื้นการให้ทานเราทำได้อยู่แล้วละถือว่าได้ทำกันมาแล้วทีนี้ก็ให้พินิจพิจารณาในขั้นศีลที่ว้นเว้นจากโทษเว้นจากการกระทำที่ผิดทางกายทางวาจา์ถ้ามันยังไม่ได้ก็ให้ขับ เที่ยวจิตใจของตนเองนี่แหละตัวสําคัญที่มันทําได้หรือไม่ได้มันก็อยู่ที่ใจนี่แหละ อ, อ, อ, อ, อ, อมันทําไม่ได้เอเพราะกิเลสคือความเผลอเลอความรุ่มหลงนั่นแหละไม่ใช่อะไรดอกกิเลสความเผลอเลอสติความไม่มีปัญญาสอนใจให้รูกความจริงนั่นแหละ เ, เราก็มามุ่งมั่นสอนจิต ส, สอนใจตั้งสติเข้าไป อบรมจิตใจเข้าไปให้มันเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษมันก็จะทำได้เท่านั้นมันก็จะละได้นี่ในขั้นศีลเมื่อสติสมบูรณ์นั่นแหละเมื่อสติสมบูรณ์สติตั้งมัน่นมีสมาธิความมั่นคงของใจมีปัญญาบ้างเกิดขึ้นรู้ว่า เออมันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนที่ท่านว่าสกายยทิฐิสกายวายทิฐิวี่กิกิชานะ่ะ อ, อ่ามันเป็นทำเครื่องกัน้นมันยังมีความเห็นว่าตัวตนเมื่อเราได้พินิษพิจารณาในอณิจังทุกครั้งอันหนตาพอเข้าอกเข้าใจมันก็จะวางได้ อ, อ่ามันก็จะวางมันก็จะถอนคําว่าตัวว่าตนได้ นั่นแหละสติสมาธิปัญญาประกอบกันเป็นเมตตามันจะเป็นธรรมเมตตาเกิดขึ้นในจิตนั่นแหะถ้ามันเป็นเมตตาธรรมเกิดขึ้นในจิตคือการประชมสติสมาธิและปัญญาในขั้นพื้นฐานได้การฆ่าการทําลายผู้อื่นชีวิตผู้อื่น ไม่ต้องไปโอดไม่ต้องไปกั้นอไม่ต้องไปกําหนดรูมันหรอกคือมันหมดภายในจิตใจของเร า, ท, เเเ า, า, ท, ราที่จะไปเบียดเบียนไปมีแกตนาฆ่าทำลายที่จะไปรักไปขมโมยไปยึดไปคดไปกองเอาสมบัติสิ่งของของผู้อื่นมันไม่มีในกิจของเราถ้าสติสมาธิและปัญญาใน ขั้นต้นๆไปชุมลงเป็นเมตตาจิตแล้วเพราะฉะนั้นมันจึงลบล้างไปหมดบาปกรรมในศีลห้าที่พวกเราสมาทานกันจะไปประพฤติผิดในกามยินดีในราคะตันหานอกเหนือไปจากขอบเขตที่ตนมีอยู่มันไม่มีหรอกพันธาุยา ผู้ครองของตนเองที่มีอยู่มันก็จะมีความเมตตาสงสารกันโดยธรรมเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยเป็นอย่างงั้นถ้ามันยังไม่ประชุมลงที่จิตที่ใจด้วยสติสมาธิปัญญาล่ะมันก็สอดแทรกมันก็ไปเมตตาอคนน่นคนนี่แต่เมตตานี่ยมันเป็นเป็นเมตตา ของกิเลสอย่างเมตตากรมฉันเราไม่รู้ไม่รู้ความละเอียดของมันถ้ามันประชมลงเป็นสติสมาธิคือเป็นศีลเป็นปัญญาแห่งเมตตาเมตตาปัญญาเกิดขึ้นเจโตวิมุตติยาเมตตาเจโตวิมุตติยาเป็นปัญญาแห่งเมตตาเกิดขึ้น ในจิตเราเห็นอกเห็นใจนเรียกว่านี่ความเมตตาสงสารทุกดวงจิตดวงใจนั่นแหละครอบโลกธาตุเหมือนอย่างองค์พระบรมศาศสดาสมาัยสมพระเจ้าของพวกเราเนี่ยท่านพระองค์มีพระเมตตาครอบสามโลกธาตุหรือที่องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนท่าน พูดองหลงตามหาบัวท่านว่ามันไม่มีอะไรมันมีแต่กิจเมตตาครอบสามโลกท่านว่าสามโลกก็หมายถึงว่าไอ้พูดที่ยังติดข้องอยู่ในภพแห่งความหลงนี่แหละทั้งมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตผีจนถึงสัตว์นรก สเปดอสุรากายหรือเทวบุตรเทวดาอินพรมนั่นจึงถือจนถึงขั้นพรมมาโลกนั่นแหละเรียกว่ามันยังอยู่ในมีความมืดยังไม่สว่างเต็มที่อยู่นี่ที่ท่านว่าเมตตาครอบสามโลกธาตุคือครอบดวงจิตดวงใจนั่นเองไม่ได้ครอบอะไรละ่ะนี่มันจะครอบอยู่ในขั้น เบื้องต้นนี่แหละขั้นสมาธิในเบื้องต้นสมาธิที่แนบแน่นแน่นแฟนในเบื้องต้นส่งผลให้เกิดปัญญาความมองเห็นว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาในเบื้องต้นนี่แหละอมันจะเกิดเมตตาที่เราจเจริญเมตตานึกถึงเขาถึงเราอ มันจึงตัดบาปตัดบาปห้าอย่างในเบื้องต้นออกไปได้เรียวว่าต้นตอของบาปนั่นละถึงแม้จะเป็นบาปละเอียดในขั้นฌานสมาธิสมาบัติอะไรก็ก็มันไปจากบาปยับยาบนี่แหละปานาทินาคาเมมุสาสุราน นี่มันจะตัดท่านจึงว่าเพราะฉะนั้นพระโสดาปฏิผลเรียกว่าท่านดำเนินในในสภาวะแห่งมรรคในเบื้องต้นคือท่านภาวนาเหมือนพวกเราภาวนานี่แหละได้ยินได้ฟังฝึกสมาธิฝึกสติฝึกปัญญาเนี่ยนั่นแหละเมื่อมันประชุมลงในมรรคเบื้องต้นเนี่ย โสดามักโสดาผลเนี่ยท่านเรงว่าละสกายทิฐิคือมันเห็นความเป็นจริงแล้วมันคำว่าละละคือมันไม่มีนะมันไม่มีแม้แต่ขณะกิจหนึ่งที่จะทำควา ม, มวิตกกังวลภายในจิตในใจความรู้รของท่านหรือว่าในสังขารและกิจในวิตกกิจของท่านมันไม่มี ที่จะนึกจะคิดไปทำลายชีวิตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปรักไ ป, ไปํโมยไปร่วงเกินทางกามเมุมิฉายจานหลอกลวงอำพางพูดอะไรก็เป็นคำสัตว์คำจริงและการที่จะไปยินดีในสิ่งที่มืนเมาเข้ามาทับถมร่างกายทำลาย ประสาร่างกายของตนเองไม่มีท่านท่านจึงพูดเพียงว่าระสกายยติธิคือความถือในกายว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็วิกิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในบาปในบุญไม่มีท่านรู้โทษรู้คุณรู้บาปรู้บุญตามที่พระพุทธเจ้าสอนข้าสัตว์มีโทษลักทรัพย์มีโทษ พอพูดผิดในกาเมสุมิฉายจาย์มันมีโทษหลอกลวงอำพรางมีโทษดื่มกินเครื่องดองของมองมีโทษอันนี้ท่านไม่ต้องไปกําหนดไม่ต้องไปไล่ไปอะไรหรอกมันหมดไปเลยตั้งแต่ขณะที่มัคคือสติปัญญาเมตตาภาวนาที่น้อมนึกถึงเขาถึงเรามันประชมลงใน ในถ้าจะพูดตามวิธีที่ท่านเรียกในฌานก็ตั้งแต่ปฐมฌานคือในตั้งแต่สมาธิในเบื้องต้นนี่แหละมันจะขาดกันคือมันประชุมด้วยสติปัญญาแล้วมันไม่ใช่มีเพียงสติสมาธิเฉยๆนมันจึงขาดบาปในเบื้องต้นสกายทิฏฐิวิกิกิชฌา ศีระพัตตะปรมาตถ์จึงไม่มีท่านจึงว่าพระโสดาบันเนี่ยศินหา้าท่านบริสุทธิ์โดยธรรมชาติไม่ได้มีเจตนานี่ยที่แรกพวกเรารับสมาทานแล้วเจตนาสมาทานแล้วเกตเจตนามดเว้นปฏิบัติเนี่ยไม่ล่วงเกินแล้วก็มันก็เป็นบริสุทธิ์ด้วยเจตนาเมื่อมันประชมมรรค ลงไปด้วยสติสมาธิและปัญญาในขั้นต้นนี่เออันนี้ว่าศีลห้าบริสุทธิ์ไม่ต้องไปสมาทานไม่ต้องไปเกตนาไม่ต้องไปประกาศกับใครทั้งนั้นแหละมันเป็นอยู่ในตัวเองนี่คือการประชมมักศีล ส, สมาธิปัญญาแหมันมันรวมมาอยู่นี่ อันนี้พูดเพื่อจะให้เข้าใจว่าการภาวนานี่แหละการเจริญสติภาวนาไม่ท้อถอยหรือว่าการที่เมื่อเราทำเรานั่งสมาธิภาวนาหรือเราเดินภาวนาเช่นอย่างเดินจงกรมนี่ก็เหมือนกันเราเดินกลับไปกลับมาเดินอ๋อวันนี้จะเดินมันทั้งวันนี่ไม่มีการงานอะไรละ ว, วันอาทิตย์นี่ การงานภายนอกที่เราจะทําไม่มีเข้าสู่ทางเดินยังกม้มก็กําหนดเดินพุโทโธพุโทโธหรือดูลมหายใจมันไม่นานเท่าไรหร่รอกเดินกลับไปกลับมาเนี่ยมันไม่ได้ระบายความรู้ไม่ได้ระบายอารมณ์ไปสู่อย่างอื่นแล้วมันก็ทุกข์อ่ ม, มก็ทุกข์ทุกข์เพราะเดินนานๆนั่นแหละ ทุ ก, ก็จะเกิดเดินนานทุกก็เกิดนั่งนานทุกก็เกิดเอาถ้าว่านอนสบายก็นอนนานๆไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถอะไรละ่ะนั่นละมันจะเห็นทุกยืนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเกิดได้ในทุกอิริยาบถสุขก็เหมือนกันเกิดได้ในทุกอิริยาบถแต่ว่าข้อสาคัญว่า ปฏิบัติเพื่อให้ลูกความทุกข์ตามเป็นจริงนี่ท่านจึงให้กําหนดเอาทุกขมาเป็นอารมณ์ที่พุทธเจ้าสอนทุกควรกําหนดลูกคือให้ดูความหมายว่ากําหนดลูกให้ดูไม่ให้ทิ้งมันไปแต่เราไม่ชอบเราไม่ชอบความความทุกข์ความจนก็เหมือนกันน่ะเราก็ไม่ชอบความทุกข์ความจนเพราะฉะนั้นจึงได้ดิ้นรนทํากิจการงานเพื่อแสวงหาทรัพย์เนี่ย หลังสู้ฝ้าหน้าสู้แผ่นดินหลังสู้แดดหน้าสู้ลมจนไม่ได้หลับได้นอนนั่นแหละธรรมชาติเขาทำงานกลางวันรือทำงานแปดชั่วโมงเขาก็ให้หยุดพักกลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนร่างกายการหลับการนอนเนี่ยเีวมันอยู่เฉยๆต้องไม่ทาอะไรเขาก็หลับก็นอน แต่ที่นี่เมื่อความอยากมันเกิดขึ้นไม่ต้องหลับต้องนอนถึงเวลานอนก็ไม่นอนทำงานโออะไรไปยิ่งได้เงินได้ทรัพย์มากมากก็พอใจนี่คือความพอใจในทรัพย์ภายนอกไม่ใช่ความพอใจในอริยทรัพย์ทรัพย์คือสติสมาธิปัญญาน่ยนทรัพย์ภายในเพราะฉะนั้น นี่เรื่องแสวงหาทรัพภายในมันต่างกันคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกายของวาจาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของใจซึ่งใจนี่มันไม่ได้มีอิริยาบถมันไม่มียืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดอะไรมันมันก็รู้อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถมันก็ทุกอยู่ทุกอยู่เนี่ย มันยังเก็บยังปวดยังเมื่อยยังหิวท่านพระพุทธเจ้าจึงว่ากําหนดรูเอาทุกเรามากำหนดรูเรียกว่าภ า, าวนาดูทุกข์จิงดูทุกข์อย่างเราอธิษฐานจะเดินทั้งวันมันเหนื่อ ย, ม, นนอยมันเน็ดมันเหนื่อยไม่หยุดเอา้าเหนื่อยเน็ดเหนื่อยเอาทุกข์กำหนดรูกําหนดไปกําหนดมาสติพร้อมปัญญาแจม่มแจ้งปล่อยวางกันได้ ทุกหมดไปเพราะว่าทุกข์มันไม่ใช่ใจสุ ข, ขก็ไม่ใช่ใจสุดท้ายใจนี่อยู่เหนือสุขเหนือทุกได้นั่นเรียกเป็นบรมสุ ข, ขได้อันนี้พูดเพิ่มเติมให้มีความเพียรมุ่งมั่นในการกำหนดทุกขเอาสติตั้งลงใส่กับทุกขปัญญาที่นี้พิจายณาาลงใส่กับทุก นั่นแหละรู้ทุกเห็นทุกตามเป็นจริงแยกทุกออกจากใจแยกใจออกจากทุกได้ก็สุขสบายอเอาละวันยมันเลยเถิด